ตอนคุณธรรมจริยธรรมวันที่24มกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าพครูพูดมาหลายปีว่าเดี๋ยววันไหนจะไปจัดที่เมืองทองธานีคนเป็นพันๆแต่ฝันนั้นเป็นจริงแล้วไม่ต้องไปจัดนะตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมคณะคุณครู 7,000 กว่าคนปฏิบัติพร้อมกันเช้าเย็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะก็ต้องขออนุโมทนาครูก้อยเนี่ยออตอนนั้นครูก้อยฝันว่าจะทำงานใหญ่ก็คือสร้างสาขาแกบอกตอนนี้แกเปิดได้ตีสาขาก็ได้เพราะว่าระบบโรงเรียนอยู่ตัวแล้วตอนนี้แกไม่ทำงานใหญ่ละ ก็จะทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะก็เราเห็นแล้วต้องการให้เด็กไทยเนี่ยมีสุขภาพร่างกายและจิตใจดีเด็กๆง่ายเพราะว่าเขายังไม่มีขยะเยอะแค่เช็คแอนด์แดนซ์นะเช็คอัพโยม่ายแอนด์แดนเซ์ไซเดี๋ยวเขาก็ดีเองนะทอเบอิกบานก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราทำเพื่อมนุษยชาติ แต่ตอนนี้ถ้าเราไปคิดแบบทุนทนิยมว่ทุนนิยมเราจะสร้างที่สร้างงานทางานใหญ่ขยายธุรกิจใหญ่แต่เพื่อตัวเองมันไม่ยิ่งใหญ่ก็บังเอิญมานี่มีคำถามหน่อยหนึ่งก็เชื่อมโยงกับตรงนี้นะพ่อครูคะคือการลงทุนมากได้บุญน้อยกับลงทุนน้อยแต่ได้บุญมาก มันแตกต่างกันยังไงคะมันแตกต่างกันว่าที่ลงทุนมากกับลงทุนน้อยมันก็แตกต่างกันแล้วเนาะเออส่วนนี้ต้องการค้ากำไรเกินควรนะลงทุนน้อยจะอยากได้บุญเยอะทาบุญบุญที่เยอะที่สุดนะคือสุญญาตาทานทานซึ่งไม่มีผู้รับไม่มีผู้ให้นะแต่ถ้าเราคิดว่าเราลงทุนน้อยอยากได้ทุนเยอะเนี่ยเราทำบุญตามบุญแล้ว มันไม่ใช่บุญมันเป็นกิริยาในการทำบุญเฉยแต่คิดไม่เป็นกุศลเลยนะทำบุญทำทานบุญเกิดจากการให้ทานคือจาคะคือสลัดออกบุญคือเบาบาปคือหนักก็ยกตัวอย่างง่ายๆว่าโอเคเราเห็นเขาทำความดีเขาเอาผระป่ากระถินมาถวายเออปุ๊บเนี่ยนะตัวเลขเท่าไหร่ก็ช่าง เราก็ยกมือท่วมหัวสาธุเนี่ยลงทุนน้อยแต่ได้บุญเยอะแต่ถ้าว่าไปไปทำบุญแล้วเอาหนึ่งพันหนึ่งแสนอะไรก็สร้างทาเสร็จแล้วทำไมไม่ประกาศ ช, ชื่อสันทักทีหนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่ทาบุญอันนี้ค้ากำไรเกินควรทาบุญเอาหน้ายังยังมีอามิตรอยู่นะทำบุญขอให้บริสุทธิ์ใจก็คือว่าสลัดออก สลัดความโลภความปณีล้วออกนะเราเหมือนเอาก้อนหินโยนลงไลงไปเนี่ยเราก็เบาบุญคือเบาบาปคือหนักส่วนมันจะได้มากน้อยนี่อย่าไปเปรียบเทียบถ้าเราเปรียบเทียบปุ๊บแสดงว่าเรากำลังค้าขายละจะทำบุญน้อยลงทุนน้อยแต่ได้บุญเยอะนะอันนี้แสดงว่าบุญนั้นเอางเงินไปซื้อเอานะบุญจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่ามันมีทานศีลภาวนา าทานคือมีวัตถุทานธรรมทานอภัยทานที่พวกครูเคยพูดบ่อยๆแล้ววัตถุทานคือเราเอาสตังเอาปัจจัยเราเนี่ยไปถวายทานสร้างวัดสร้างโบสถ์ดูแลเด็กยากจนอันนี้เรียกว่าวัตถุทานเป็นการขจัดความโลภความตันนีอย่างหนึ่งส่วนการให้ธรรมทานเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องเสียตัง แต่เราเสียเวลาเสียพลังงานที่จะพูดเราไม่ขี้เกียจพูดเราไม่หวงความรู้ทุกวันนี้ให้ได้ไหมไม่พอวิจัยสำเร็จปุ๊บลิขสิทธิ์เห็นหทุนนิยมแบบนี้นะเขาทำทุกอย่างเพื่อเขาจะได้อะไรอันนั้นลงทุนย้ายใหญ่ลงทุนธุรกิจหมื่นล้านแสนล้านน ะ, ะดีไม่ดีไม่ได้บุญต่างหากไม่ได้บุญไม่พอเป็นบาปด้วยถ้าไป ถ้าธุรกิจนั้นไปเบียดเบียนเขาเห็นไหมอันนั้นคือลงทุนมากแต่ได้บุญน้อยนะถ้าเราให้ให้ความรู้ชี้ทางถูกต้องให้เขาโดยไม่หวังผลอะไรเลยนะ่ะอันนี้ก็ได้บุญเยอะได้ยืนเยอะกว่ากว่าไปเอาเงินไปทําบุญแล้วก็สาธุถูกระวันที่หนึ่งอันนั้นไม่ใช่บุญอั น, นั้นเป็นค้ากําไรเกินควรส่วนบุญที่มากกว่าที่สุดในใน ในการให้ทานเนี่ยคืออภัยทานเห็นไหมอภัยแค่ครั้งเดียวนะเมื่อกี้พอกูให้ธรรมทานเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยคนเป็นหลายสิบนะอันนี้สงฆ์มันเกิดขึ้นกับคนหมู่มากนะพอกูก็ได้ได้บุญนะพอ ก, กูไม่เหนียวความรู้ได้บุญมากกว่าให้วัตถุทานนะให้วัตถุแต่ยังน้อยกว่าให้อภัยทานแค่คนเดียว แค่ครั้งเดียวเนี่ยแหละลงทุนน้อยนะคือว่าให้อภัยแค่ครั้งเดียวเนี่ยเราได้อ น, นิสง์มากกว่าธรรมทานกับวัตถุทานสําหรับเรานะเพราะว่าเราโยนภูเขาออกจากอกโยนความเครียดแค้นโยนความพยาบาทไม่งั้นเราแบกข้ามภพข้ามชาติอันเนี้ยได้มากที่สุดในเรื่องทานส่วนศีลนั่นก็ได้บุญนะได้บุญคือว่า เราไม่สร้างกรรมใหม่พอสร้างกรรมใหม่ปุ๊บนี่มาเปืออนะเออเป้อนอีกนะเออเปื้อนอีกก็ต้องมาเหวี่ยงมันทิ้งอีกนะสินนี้ก็ได้บุญนะได้บุญเพราะว่าเราไม่เพิ่มขยะใหม่นะแต่น้อยกว่าทั้งหมดนี่คือทานสินสู้ภาวนาไม่ได้น ะ, จะเจริญวิปัสสนาเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปหาเงินแล้วเอาเงินไปทำบุญไม่ต้องเสียเวลามาพูดอีก นะเราได้เจริญวิปัสนาเนี่ยนะเราได้เกิดปัญญาและในขณะเดียวกันได้ขัดเกลาจิตให้ผ่องใสเอาความโลภความเตเนี่ความโกรธความหลงอันนี้ได้หมดเลยเนี่ยนะการเจริญวิปัสนาจึงได้อา น, นิสงส์มากที่สุดเนี่ยลงทุนน้อยที่สุดลงทุนโดยไม่ต้องเสียเงินเลยไม่ต้องมานั่งพูดนะขอให้เราเข้าไปในจิตอย่างโจรคนหนึ่งเนี่ยเขาวิ่งมาที่นี่ เขาหนีตำรวจมาก็บอกเขาทุกข์มากไม่รู้เรื่องศาสนาเลยนะออฉันเขาฉันจะเริ่มต้นยังไงบอกโจรเธอต้องมีศีล น, นะมันจะเอาศีลมาจากไหนบางคนบอกว่าไม่มีศีลเบื้องต้นสมาธิไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่เกิดอย่างนี้ไอโจรเนี่ยชาตินี้ไม่ต้องฝึกแล้วเพราะมันไม่มีศีลแล้วบอกโจรโจร น, นั่งสมาธินั่งเลยเวียงเวียงเข้าไปในจิต พอมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปขัดเกาจิตให้ผ่องใสมันไปเห็นอดีตกรรมมันไปจ่ายหนี้กรรมทางจิตพอเสร็จปุ๊ บ, บเขามีปัญญาเขาเลิกเป็นโจรเขาเลิกเป็นโจรเห็นไหมปกติอาชีพเขาเนี่ยต้องพ้นฆ่าบันนึ่งฆ่าหนึ่งคนเขาก็อ้างว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะเขาทําหน้าที่พ้นฆ่าเพื่อจะเอาไปเลี้ยงลูกเมียเขานะ วันหนึ่งต้องคนต้องตายในมือเขาคนหนึ่งเดือนหนึ่ง30คนปีหนึ่ง3า0ยกว่าคนชาตินี้หลายพันคนพอเขาเข้าไปในจิตปุ๊บเนี่ยเขาเกิดสานึกจิตสานึกทุกคนมีจิตสานึกอยู่แล้วนะทุกวันนี้การศึกษาเป็นแค่ปลูกสานึกเข้าหูซ้ายออกหูขวานะเข้าหูซ้ายออกหูขวานะมันไม่ได้อะไรอันนี้เราปลุกจิตสานึกเดิมขึ้นมาถึงจะเป็นโจรก็ช่างถ้าเขาไม่มีฝ่ายบวกฝ่ายกุศล เขาไม่มีโอกาสมาเกิดในร่างมนุษย์ผู้ประเสริฐนะแล้วไม่มีโอกาสมาเจอหนีตำรวจมาหนีทุกนะเห็นทุกแล้วเขาก็ไม่เห็นธรรมเพราะว่าฝ่ายบวกเขาเนี่ยทำให้เขาไม่เห็นธรรมแล้วเขาเหวี่ยงเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยจิตสำนึกเดิมเขาโผล่ขึ้นมาเขาจะเลิกเป็นโจรเห็นไหมคนก็ไม่ต้องตายจากฝีมือเขานี่ไม่รู้อีกกี่พันคนนะก็การเจริญวิปัสสนา เนี่ยจึงได้อ น, นิสงส์มากที่สุดนะคุณธรรมคืออะไรต่างจากจริยธรรมอย่างไรคุณธรรมคืออะไรต่างจากจริยธรรมอย่างไรคุณธรรมก็คือคุณธรรมจริยธรรมก็คือจริยธรรมเขียนก็ไม่เหมือนกันละมันต่างกันแบบนี้นะด้านภาษาต่างกันแบบนี้แต่เนื้อหาสาระ คุณธรรมนี่หลายคนบอกต้องมีคุณธรรมลูกต้องมีคุณธรรมนะเธอต้องมีคุณธรรมคุณธรรมนําความรู้ความรู้คู่คุณธรรมพูดกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองอการศึกษาในโรงเรียน78ดหมวดวิชาเธอต้องจําเก่งๆนะ เ, ออเรียนศาสนาก็เอาไปสอนอยู่ในวิชาสังคมนี่นยนะคือเป็นสังคมปากว่าตาขยิบเราให้ความสําคัญคุณธรรมคุณธรรมต้องนําความรู้แต่ไม่มีวิชาสอนเลยไม่มีวิชาสอนเลยนะ เอาแปลง่ายๆว่าคุณธรรมสำหรับพ่กครูนะแปลตามตัวหนังสือเลยนะคือคุณสมบัติตามธรรมชาติยกตัวอย่างพ่กคูยกตัวอย่างนี้มาม า, มามามาหลายปีหลายครั้งแล้วต้องฟังบ่อยๆบางทีเราเข้าใจไม่เข้าจิตเด็กสาวคนหนึ่งเนี่ยคลอดลูกที่กรุงเทพแล้วเอาไปทิ้งที่สะพานลอยหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งลงไปหลายฉบับนะ เขาก็สืบไปรู้ว่าแม่เป็นใครก็ไปจับแม่มาทีนี้เด็กๆสมัยก่อนเนี่ยนะมาเรียนกสอ น, อ น, อนที่นี่รุ่นน้องคีเนี่ยนะเสาร์อาทิตย์นะมานอนที่นี่คืนวันเสาร์พวกครูสอนเองเรื่องศีลสมาธิปัญญาพวกกูถามว่าเด็กๆที่บ้านเลี้ยงไก่ไหมเด็กมันนอกเลี้ยงหมดละ่ะเลี้ยงค่ะเลี้ยงครับ ไก่มันออกลูกหรือมันออกไข่มันออกไข่ค่ะออกกีละฟองหรือหลายฟองมากค่ะมันออกไข่แล้วมันทำยังไงมันจะไปฟักไข่เมื่อมันฟักไข่แล้วเนี่ยมันเป็นตัวแล้วมันทำยังไงแม่ไก่มันก็พาลูกมันเนี่ยไปทำมาหากินก็ถามว่าเคยเห็นแม่ไก่ในวางแผนเอาลูกไปทิ้งที่สะพานลอยไหมเขาบอกไม่ค่ะเพราะอะไรเพราะไก่มันมีคุณธรรม มันมีคุณสมบัติตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องสอนแต่ตอนนี้เด็กผู้หญิงคนนั้นเอาลูกไปทิ้งสะพานลอยคุณสมบัติตามธรรมชาติหายไปไหนหมดถูกความรู้ผิดครอบงำแล้วว่าอย่าเลี้ยงนะเป็นพาระเห็นไม้มสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ทำนะแล้วไปบอกว่าอุ้ยผู้หญิงคนนี้ทำตัวเหมือนสัตว์เดรัจฉานเลยไม่ได้นะครับขี้ตู่สัตว์เดรัจฉานไม่ทาไก่ก็ไม่ทาอันนี้เรียกว่าสัตว์นรก สัตว์นรกอยู่ในร่างมนุษย์เปรตอสุรกายอยู่ในร่างมนุษย์ไม่บ้าก็กินยาให้มันบ้าลูกข้าพ่อผัวข้าเมียสังคมตอนนี้เป็นแบบนี้คุณธรรมที่เรามีอยู่แล้วตามธรรมชาติหายไปหมดนะตอนนี้ก็ถูกกระตุ้นด้วยว่าหมู่บ้านศินห้านะสร้างหมู่บ้านศินห้าเป็นภาคบังคับ พูดปุ๊บเธอต้องมีศินห้านะก็ไปท่องจํากันสินห้ากลายเป็นตัวหนังสือเป็นผลงานตั้งๆๆแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยทาซานก็มีศินห้าอยู่แล้วเต็มเปี่ยมไม่ต้องถือศินทุกวันนี้บางทีมือถือสากปากถือศินถือถือหลุดๆนะเป็นศินภายนอกศินตัวหนังสือนะถ้าไมทาซานมีศินห้าอยู่แล้วทาซานถามว่าโกหกไหมมันจะโกหกทําไง มันไม่มีความอยากได้ของใครมันกินเหล้าไหมสูบบุหรี่ไหมมันไม่เอาอะไรก็ไม่รู้ไม่มีประโยชน์เห็นไหมศีลคือความปกติของจิตเขามีอยู่แล้วนะมันเป็นคุณธรรมสมบัติตามธรรมชาตินะก็อีกตัวอย่างหนึ่งน้องคีเนี่ยเอามาอเมริกาใหม่ๆนะตอนนั้นอยู่ที่นี่ แล้วก็แกเป็นเรียนโรงเรียนในหมู่บ้านนะอนุบาลป .1 มั้งพ่อกรูจำไม่ได้ละแล้วผ่านโงที่ในหมู่บ้านนั้นก็เอากระต่ายคู่หนึ่งตัวผู้ตัวเมียตัวเล็กๆนะเอามาให้แกว่าเอ้คีเอามาเลี้ยงทำไมพาะคีน้องคีเกิดปีกระต่ายพ่อครูเลยกัน้นตะแกงเหล็กนินหนึ่งไล่ เพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขอะไรไปทำมันแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติบอกเลี้ยงเพราะว่าแม่กระต่ายนั้นถูกเลี้ยงในกรงเหล็กนะเป็นกระต่ายป่าทีนี้เขาก็ไม่ต้องให้อาหารนะไปกินหญ้ากินอะไรอะไรเลี้ยงด้วยตัวมันเองอะแต่พื้นที่กว้างหน่อยหนึ่งพอผ่านไปห้าหเดือน คือพ่อครูผิวปากเฉยๆเขาก็วิ่งมาหาเราเราสนิทกันมากกระตายสาวนั่นอยู่ๆขนมันก็หลุดหมดเห็นไหมแล้วก็เอ๊ะเป็นโรคผิวหนังหรือเปล่าหรือตัวผู้กัดมันหรือเปล่าก็ไม่มีแผลสักพับหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเขามีทองละเขาอ้วนขึ้นมาเนาะแล้วเขาหายไปสองวันนะ ตอนนั้นผิวปากก็ไม่ออกมาเห็นแต่ตัวผู้พ่อกูก็เอาไปฉายไปส่องเขาขุดรูหลายรูมากออตอนนั้นก็หน้าฝนเขาเลือกรูที่อยู่ใต้ชายคาไม่เปียกฝนน่ะเขาไปออกลูกแล้วขนที่เขาหลุดนี่ยเขาดึงขนเขาไปปูให้ลูกเขานอนถามว่ากระตายสาวท้องแรกนี้ไม่ได้หาคุณหมอเลย เขารู้ได้ยังไงว่าเขาต้องดึงขนเขาไปปูให้ลูกเขานอนเพราะว่าแม่เขาอยู่ในกรงเหล็กเขาปูผ้าให้มันคลอดลูกนะเออเขาอาจจะจําได้ว่าเขากินนมแม่เขาก็เลยเลี้ยงลูกเขาแล้วก็จากนั้นมาเขาก็ออกมาวิ่งกินหญ้าเขาก็กลับไปออไม่นานไอ้ลูกเจ็ดตัวก็วิ่งออกมาเล่นอันนี้คือคุณสมบัติปางธรรมชาติไม่ต้องไปเรียนหนังสือ มันเป็นสัญชาตญาณเดิมของเขานะเขามีคุณธรรมแต่นี้คุณธรรมเราหายไปไหนหมดเนี่ยเราจะเดอเจอความรู้ผิดนะรู้ผิดกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวโดยไม่รู้ตัวนะทีนี้คำว่าจริยธรรมเนี่ยมันต่างกับคุณธรรมคือจริยธรรมไม่ใช่วิชาสอนมันเป็นจริยวัตรที่เราต้องทำเป็นปกติมันเป็นประเพณีวัฒนธรรม จริยธรรมของคนตะวันตกของฝรั่งกับเราก็ไม่เหมือนกันคนไทยเราเจอกันก็ยกมือไหว้นะอันนี้คือแต่ตอนนี้เราก็ทิ้งมันเหมือนกันคนไทยไหว้ไม่เป็นนะโรงเรียนก็เลยมาวิชาจริยธรรมนะพระกะูบอกไม่ใช่วิชาสอนต้องมันเป็นสิ่งที่เราต้องทาเป็นจริยวัฒเป็นปกตินะครูที่โรงเรียนต้องอยู่หน้า ตื่นเช้ามายืนรอเด็กนักเรียนไหว้เด็กก่อนวันดีข้าวันดีลูกทำให้เขาดูเขาก็ทำตามหรอนะมันเป็นจริยวัฒที่คนทุกเผ่าพันธุ์ต้องทำตามประเพณีของตัวเองนะก็หลายปีก่อนทาราวิสซึ่งเป็นคนอเมริกันนะเขามาจากอเมริกาเนี่ยพ่อคูก็ตั้งชื่อเทวาเพราะคาว่าทาราวิสเนี่ยเด็กมันนอกเรียกยากมาก แกก็มาปฏิบัตินะเป็นปีนะอยู่กับพระครูนะตอนนั้นอายุยี่สบนะมาจากอเมริกาพระครูก็ลองภูมิปัญญาคนตะวันตกอยู่ว่าเทวา่าถ้าเทว่าไปในเขื่อนเนี่ยจับปลามาตัวหนึ่งเนี่ยยาวสองเมตรเลยเนี่ยเทว่าจะทำยังไงกินนานที่สุดเขาก็นั่งคิดเขาก็ดีดมือว่าวิธีง่ายที่สุดก็คือ เอามาแล่เป็นชิ้นๆแล้วก็เอาพลาสติกแรปไว้แล้วก็ไปแช่แข็งเออหรือว่าถ้าเรามีโรงงานทําปลากระป๋องก็ทําปลากระป๋องไว้นะเขาบอกกินนานที่สุดจะกินก็เอามากิ น, นทีนี้หันมาถามพี่อ้อมตอนนี้เป็นครูอ้อมละเป็นครูอ้อมละตอนนั้นเขาเรียนกศน อ, อยู่พี่อ้อมถ้าพี่อ้อมได้ปลามาตัวใหญ่ขนาดนี้ทํายังไงจะกินนานที่สุดพี่อ้อมไม่ต้องคิดเลยนะ พี่อ้อมบอกว่าแบ่งเป็นสี่ชิ้นเอาชิ้นที่เนื้อมากที่สุดนี่ไปเลี้ยงพระที่วัดเอาชิ้นที่ดีที่สองเนี่ยไปให้ข้างบ้านเอาชิ้นที่ดีที่สามมาทำอาหารกินเอาชิ้นที่ดีที่สี่นี่มาทำปลาล้ามาตากแห้งอันนี้เรียกว่ากินข้ามภพข้ามชาติตายไปแล้วไอ้บุญกุศลที่เราทำเนี่ย มันก็ไปส่งผลอนาคตและทีนี้ไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียวนะแก้ปัญหาสังคมชุมชนด้วยฉันให้เธอเธอให้ฉันฉันรักเธอเธอรักฉันฉันเข้าใจเธอเธอเข้าใจฉันฉันช่วยเหลือเธอเธอช่วยเหลือฉันชุมชนช น, นบทจึงไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีอายการไม่ต้องมีศาลเขาไม่ค่อยทะเลาะ ก, กันแต่ตอนนี้คนในเมืองเราตำรวจ เยอะมากอายการก็เยอะศารก็เยอะทุกสารมีหมดแต่ทะเลาะ ก, กันทุกวันเพราะคุณนะสมบัติตามธรรมชาติเราหายหมดนะเด็กในเมืองก็ถูกสอนเรียงเก่งๆเก่งๆมีิตรจะเอาเก่งนะมุ่งแต่การเรียนเป็นคนรับผิดชอบมากแต่ว่าคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องเห็นไหมทําอะไรก็ไม่เป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติหายหมดถูกวิชาการบล็อกไว้หมด นะอันนี้ก็มันเป็นจริยธรรมเนี่ยของตะวันตกกับตะวันออกเราไม่เหมือนกันเห็นไหมตะวันตกเขาเป็นทุนนิยมวัตถุนิยมคิดแต่เรื่องว่ากูฉันจะได้อะไรเห็นไหมเออแต่ว่าตะวันออกเราไม่ใช่แต่ตอนนี้ตะวันออกที่พกคูพูดเนี่ยมันเริ่มเริ่มสลายแล้วร่มมัน มันเริ่มจะหายไปหมดเพราะความคิดแบบทุนนิยมวัตถุนิยมมาครอบงำนะโดยเฉพาะในหมู่บ้านที่พกคูอยู่เนี่ยนะสมัยก่อน26ปีก่อนมีรถพกคูคันเดียวบริการคนทั้งหมู่บ้านตีสองตีสามใครไม่สบายพากคูก็เป็นแท็กซี่ส่งเข้าไปโรงพยาบาลแต่ตอนนี้มอเตอร์ไซค์ side, จักรยานถ้จาจำใจก็จักรยานก่อนตอนนี้มอเตอร์ไซค์ side, ตอนนี้เอารถกระบะรถอะไรเต็มบ้านเต็มเมือง แล้วก็หาเงินมาเลี้ยงเสียดเหล็กและตอนนี้ความเห็นแก่ตัวมากขึ้นนะการแบ่งปันน้อยลงนะตอนนั้นได้ละมาปุ๊บนี่ก็คิดถึงข้างบ้านตอนนี้ได้อามาแอบดูว่าข้างบ้านมีมากกว่าเราหรือเปล่านะคุณธรรมคุณสมบัติตามธรรมชาติถูกกืนไปหมดแล้วเห็นไมสังคมแบบนี้จะยังไง นะเมื่อกังวันพป ก, กูก็พูดถึงเรื่องความสุขนะเขาสรุปว่าความสุขขอให้แค่ชุมชนครอบครัวชุมชนชุมชนชุมชนส่วนใหญ่ของสังคมมนุษย์เนี่ยมีความเข้าใจกันคุยกันรู้เรื่องไม่ต้องทะเลาะกันแล้วก็มีเวลาว่างเป็นจิตอาสาเป็นเพื่อให้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่พป ก, กูพูดเนี่ย บางเอิงหมู่บ้านนี้ก็ยังดีอยู่ยังดีอยู่ส่วนใหญ่ถ้าไปเทียบหมู่บ้านอื่นเพราะว่าไอ้ขบวนการประชาธิปไตยที่เลือกตั้งแข่งกันเนี่ยนะมาสอนให้ชุมชนแตกแยกหมดนะแบ่งพักแบ่งพวกกู้นี่ยืมสินมาแข่งกันนะพอแพ้ปุ๊บเนี่ยแค้นนี่ต้องชำระนะแล้วก็ครอบครัวเดียวกันนามสกุลเดียวกันถูกนักการเมือง ระดับชาติมาแยกมาเป็นหัวคะแนนขัดแย้งกันไปทั่วหน้าทุกขนแห่งนะนั่นแหละความสุขแบบชุมชนไทยเนี่ยเกือบจะไม่มีแล้วละ่ะนะเพียงแต่ว่าหมู่บ้านนี้พวกครูก็พยายามกระตุ้นทางตรงทางอ้อมก็กยังยังดีแต่เสียดายความบริสุทธิ์นั้นถูกกลืนไปเกือบหมดเห็นไหม เพราะว่าคาว่าคุณธรรมถูกครอบงำคําว่าจริยธรรมซึ่งเป็นเพณีที่เราให้ซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันก็น้อยยังมีอยู่แต่ว่าน้อยมากละ่ะนะจริงๆแล้วหมู่บ้านนี้ยี่สกปีเนี่ยหลังจากพวกคูมาอยู่แล้วก็สนับสนุนผู้ใหญ่บ้านอบอตอสมาชิกประจหวัดแล้วเนี่ยเคยเป็นหมู่บ้านรูปแบบตัวอย่างแต่หลังจาก สมัครแข่งขันกันตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านอบตปุ๊บเนี่ยก็เริ่มขัดแย้งกันมาพ่อคูก็เลิกแลไม่เลิกเลิกเลิกยุ่งมีแต่ว่าเขาเดือดร้อนอะไรมาบอกเราก็เราก็ให้การสนุนเพราะว่าเราไปขัดแย้งกับใครก็ไม่ได้แต่พูดให้พวกเราฟังว่าตอนนี้สังคมมันเปลี่ยนแล้วพวกก่อครูใช้คาว่าเสียดายความสงบสุขแบบวิถีไทยมันล่มสลายเกือบจะหมดแล้วนะ และตอนนี้เมื่อแย่งแย่งกันใช่ไมเธอก็ต้องมีปืนฉันก็มีปืนฉันก็ต้องห า, เ, าเครื่องมือทุ่นแรงหรืออาวุธเพราะว่ามันขัดแย้งกันความวิตกจริตเกิดขึ้นทั่วนหน้านะน่าเสียดายมากวิถีไทยนี่มาจากวิถีพุทธวิถีพุทธมาจากวิถีธรรมชาตินะตอนนี้มันถูกเกืนหมดละถูกความรู้ผิด ถูกความอยากนะชีวิตอยู่เป็นสุขดีๆทำให้ทุกหมดเพราะความอยากขัดแย้งกันทั่วหน้าก็พระครูก็ยังพยายามประคองให้หมู่บ้านนี้มันมั น, ม, นมันสู้กระแสะโลกไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าประคองอย่าให้มันหลวมปัวไปทั้งหมดนะก็เราเปลี่ยน เราเปลี่ยนสังคมไม่ได้เปลี่ยนโลกไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้นะถ้าเราไม่ระวังตัวเองเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการขัดแยง้งนะเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสังค ร, รมน่าเสียดายความเป็นไทยคำว่าไทยนี้ดีมากเพราะคืว่าไม่รู้ใครตั้งตั้งแต่แรกนะสมัยก่อนเป็ น, ปนสยามน่ะคำว่าไทยก็คืออิสระ แต่ทำไปทรมาเปลี่ยนจากไทยเป็นธาตุธาตุวัตถุนิยมธาตุของความอยากก็เลยทำลายความอบอุ่นแบบวิถีไทยวิถีชุมชนแบบไทยๆนะเราอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ในหมู่บ้านหนึ่งบางทีเขาเรียกว่าเกี่ยวดองกันแต่งกันไปแต่งกันมามันก็ยา ก, กันหมดแหละนะคนนอกชุมชนเข้ามาปุ๊บเรารู้เลยช่วยกันดูแลนะคนชนบท ห่างไกลปืนเที่ยงนี่นะอยู่ในชายแดนเนี่ยเสียภาษีมากกว่าคนในเมืองเสียภาษีมากกว่าคนในเมืองอย่าไปตูตัวเลของค์รวมนะถึงว่าเฉพาะคนเนี่ยนะเขาซื้อสินค้าอะไรเนี่ยซื้อน้ำปลาขวดหนึ่งนะบวกกันมากี่ต่อไม่รู้มาถึงเขาเนี่ยเห็นไหม เขาเสียภาษีทางตรงทางอ้อมมากกว่าคนในเมืองแล้วพอเขาทำกา ร, กรเกษตรเขาก็ต้องซื้ออุปกรณ์กา ร, กรเกษตรเนี่ยเขาก็ถูกกินหัวคิวมาตลอดมาถึงเขาใช่ไหมในขณะที่เ็าเสียภาษีในแง่เปอร์เซนต์ที่เ็าต้องเสียมากกว่าคนในเมืองแต่การดูแลเหลียวแรลเขามาไม่ถึงมาไม่ถึงเลยนะ พ่อคูอยู่ที่นี่พ่อคูเห็นแต่ว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นนะเราก็มาเดินสายนี้แล้วแล้วไปสู้ลบตกมือกับใครก็ไม่ได้มีแต่มีโอกาสก็เนื่องจากพวกเราใช้ชีวิตในเมืองนะมาสัมผัสที่นี่นะดูว่าคนไทยด้วยกันเด็กด้อยโอกาสเรายังมากมายนะเรายังไม่มีกําลังอะไรเนี่ยส่วนเกินที่จะมาช่วยกันไม่เป็นไรนะ แต่ต้องรู้จักเก็บออมนะเก็บออมนะอย่าประมาทโลกมันเปลี่ยนทุกวันเหมือนเนี่ยอยู่ๆเมื่อวานร้อนเมื่อคืนก็เย็นเลยอันนี้ก็ก็เย็นเลยอย่างนี้นะเห็นหมมันมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันไม่เที่ยงพอเรามีโอกาสแล้วเนี่ยอย่าใช้สลุยสุไลนะรู้จักออม เผนะื่อมันเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรที่มันจําเป็นต้องใช้จะไม่เดือดร้อนแต่ทุกวันนี้เราชะล่าใจได้มาเวียงทิง้ง <c oughs> เวียงเงินที่เป็นผลกนะันไงเวียงทิ้งหมดนี่นะไม่ใช่เวียงเงินทิ้งนะเวียงตัวอยากใช้เงินทิ้งนะพเพราะครูเคยอบรมชาวบ้านที่นี่ว่าพวกเรารักเงินไหมเขาบอกรักชอบไหมชอบชอบจริงๆเหรอนะเงินเดือนออกมาวันนึงปุ๊บเวียงทิ้งหมดเลย กลัวมันอยู่กับเราข้ามคืนด้วยนะพาะคุณเกลียดเงินมากเงินมันถึงมาอยู่กับเราไงเออถ้าเรารักเงินเงินมา เ, าเอาไว้บนหิ่งเอาไว้บนหิ่งหรือฝากธนาคารเนี่ยมันออกลูกออกเต้านะอันนี้เราเกลียดมันมากกลัวมันจะอยู่กับเรานะเบิกปุ๊บเบี่ยงทิ้งหมดเพราะว่าไปเซ็นไว้ลงหน้าแหละเนี่ยเราไม่กระตันอยู่เราไม่รักเงินเงินก็ไม่รักเราไง เนี่ยเบี่ยงทิ้งไม่ใช่เบียงเงินทิ้งนะนะเบี่ยงความความอยากใช้เงินทิ้งอุตส่าห์ทางานเหนื่อยมาเกือบตายแล้วเนี่ยเห็นไหมเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อได้เงินไงเอาเมื่อได้มาแล้วเบี่ยงมันทิ้งทําไมล่ะเห็นไหมก็รู้จักเก็บออมนะทิ้งไม่บนหิ้งเฉยเฉยมันก็ไม่หายไปไหนเออทุกวันนี้สมัยก่อนทุนนิยมเข้าเปียบหมดละดอกเบี้ยแทบจะไม่มี เขาบีบให้เราออกมาใช้จ่ายบีบให้เราไปเล่นหุ้นเล่นอะไรเนี่ยนะก็ต้องพึ่งตนเองนะสังคมทุกวันนี้เนี่ยเราพึ่งยากละเพราะคนที่มีทุนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นคนวางโปรแกรมวางเกมเขาต้องวางเกมนั้นเขาได้ประโยชน์เยอะๆเราเปลี่ยนเกมนั้นไม่ได้เราเปลี่ยนโลกไม่ได้เปลี่ยนสังคมไม่ได้แต่ชีวิตเป็นของเรา เราเปลี่ยนตัวเองให้รู้เท่าทันมันอยู่กับมันให้ได้อย่าไปหลงมันนะเราหนีโลกไม่ได้ที่นี่ก็โลกนะไม่ใช่หนีในะที่นี่ก็โลกอยู่บนผิวโลกเราก็อยู่กับโลกให้ได้ได้คื อ, อยังไงนะอย่าอยู่ให้มันเสียนะนะได้ความสุขถ้าเราอยู่แล้วเราทุกปุ๊บเนี่เราเสียเวลาชีวิตละเราอยู่อย่างเสียนะเสียโอกาสในความเป็นมนุษย์ผู้รเริด นี่แเปลี่ยนตัวเองได้ไม่ต้องสู้รุ่ยสู้ไล่มีโอกาสมีแล้วก็เก็บควานมฤทธิ์เผื่อมันขาดเผื่อมันเหลือเผื่อมันเกิดเพศภัยอะไร ต, ต่างๆที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดแต่เรากําหนดไม่ได้บางทีในอดีตรกรรมลูกตัวโ ต, วตวมันโผล่มาปุ๊บมันไม่บอกเราล่ ว, ลวงหน้านะตอนนั้นเราก็ผ่อนหนักเป็นเบานะอันนี้พ่อกูก็ให้ขอคิดก็ เมื่อกี้เห็นก่อนพิทักษ์แล้วถ้ามีใจบอกชื่นใจนะยี่กปีทำงานมาเนี่ยถ้าวันเหนื่อยแต่พ่อครูไม่เคยเหนื่อยหรอกพ่อครูใช้จิตทาไม่ใช่ใช้ใจทาแต่ภาษาพูดล่ะหายเหนื่อยทันทีเห็นเด็กๆ เ, เขามีความสุขเขาเต้นอย่างตั้งมั่นมีสมาธิถ้าเด็กไทยทุกคนมีโอกาสอย่างนี้นะสังคมดีขึ้นแน่ๆ น, นะไม่ต้องเครื่องมืออะไรมาก แค่เช็ค and ด์แดแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยต้องเยอะกว่านั้นต้องเวียงด้วยต้องอะไรด้วยเพราะว่าเราสะสมโปรแกรมมากเหลือเกินนะส่วนเด็กๆ เ, เนี่ยแค่ให้เขามีโอกาสอย่างนี้นะเขายังไม่มีขยะเยอะเนี่ยเขาล้างไปทุกวันทุกวันทุกวั น, วนเดี๋ยวกลายเป็นอัจฉริยะนะเพราะว่าสำนึกมันตื่นจิตสำนึกมันตื่น เขาเขียนรายงานมาเยอะมากเนอมันจะอ่านอ่านไม่ไหวหรอกก็เป็นหลายพันฉบับเนาะเนาะแต่ออกมาในรูปที่เด็กอนุบาลเขาบริสุทธิ์มากเขาบอกเขาไม่รู้หรอกเขาบอกว่าตั้งแต่หนูเช็คแอนด์แดนมีความสุขมากมันเบา้าเบาะเขาก็พูดแบบเนี้ยก็มีความสุขเขาเบา้าเบาเห็นไหมเ ข, เขาแข็งแรงขึ้น ยิ่งยุคต่อไปนะการแข่งขันยื้อแยกมันจะแรงขึ้นถ้าเราไม่มีเครื่องมือที่ตุกให้เราตื่นตลอดเวลาแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันเรามันเกิดตลอดเวลาแล้วก็ใช้สติสมาธิเราตื่นตลอดเวลาเนี่ยเราจะเด้งนะเราจะเด้งเมื่อกี้พ่อครูก็ก่อนจะมาก็ดูรายการหนึ่งผู้รู้ เขาเดินทางต่างประเทศด้วยเนี่ยเขาก็วิจารณ์ว่าอาเซมอาเซียนเนี่ยสิประเทศนี่ใครได้ใครเสียเขาพูดตามความเป็นจริงอะไรหมดนี่นะนะสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงเขานั่งแป้นอยู่แล้วเขาได้เปรียกที่สุดประเทศเขาเล็กๆต่อไปเขาจะสนุกใช้พื้นที่เลยเต็มไปหมดเลยใช้แรงงานราคาถูกเต็มไปหมดเลยใช้พยาการเต็มไปเลยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเขาได้เต็มเต็ม เ็าไม่มีอะไรจะเสียและอีกหลายประเทศก็กลางๆนะเวียดนามนี่จะโผล่มาแรงกับพมา่าเพราะพะม่านี่ติดชายแดนกับจีนมีพ2 0 0ล้านคนติดกับอินเดียมีพ1 0หนึ่งล้านคนเฉพาะสองประเทศนี้สองพันกว่าล้านคนตอนนี้โรงงานที่เมืองไทยย้ายไปอยู่ฐานตรงนั้น เพราะว่าเมืองไทยเราก็ถูกจัดจิตตัด GDP อะไรเนี่ยอเมริกาก็ลังเล่นคือเราเนี่ยบวยเลยน่ากลัวมากนะเขาเขาชี้ให้เห็นเรื่องความเป็นจริงมาแล้วเนี่ยนะเมื่อเราส่งของไปไม่มีสิทธิพิเศษเขาก็ย้ายฐานมาอยู่ประเทศข้างๆที่มีสิทธิพิเศษค่าแรงก็ถูกกว่าเราหลับเดือดตานะทีเขาสุปเมืองไทยจะทำยังไงล่ะยังไม่มีคําตอบ เราเสียเปียบที่สุดนะเราฝันไว้ยังจะเป็นฮับทุกประเทศฮับฮับหมดล่ะนะเออพราะครูดูแล้วเนี่ยน่ากลัวมากแต่หยุดไม่ได้แล้วประเทศข้างๆเาาเขามีเคลื่อนไหวแรงเมืองไทยยังนิ่งๆยังขัดแย้งกันไม่เลิกเราเสียเปียบหมดทุกด้านนะ ก็อันนี้ชี้ให้ดูว่าอย่าประมาทนะเราอยู่แบบเก่าไม่ได้ลนะการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นนะเด็กทุกวันนี้เราต้องฝึกให้เขานี่ยสะเทินน้ำสะเทินบกุกนะอยู่ที่สูงก็ได้ต่าก็ได้ร้อนก็ได้เย็นก็ได้ลองรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะอันนี้ ยิ่งดูเขาวิเคราะห์เรื่องพักคูไม่ได้อยู่ในวงการแต่พักคูดูคร่าวๆว่าเฮ้ยเราเราน่ากลัวมากเนี่ยโรงเรียนเราถึงตื่นขึ้นมาหน่อยหนึ่งเออมาปลุกขึ้นมาหน่อยหนึ่งไอ้ที่ผ่านมาไม่ได้ผิดเราก็อยู่ตามสภาพเรามีความสุขอยู่แล้วหาเรื่องทุกทําไมแต่ตอนนี้ไม่ใช่หาเรื่องไม่หาเรื่องเขามาจ่ อ, อยู่หน้าบ้านเราแล้วนะคุณครูต้องตื่น เด็กนักเรียนก็ต้องตื่นพวกครูสงสารเกษตรกรในชนบทเขาไม่มีโอกาสรู้เรื่องพวกนี้เลยเขาก็ใช้ชีวิตเขาเหมือนเก่าแต่ไม่เหมือนเก่าพืชไร่เกษตรก็ไม่มีหมดไม่มีราคาหมดถึงเขาจะพอใจอย่างนี้เออในน้มีปลาในนามีข้าวไม่ค่อยมีแล้วละ่ะปลาก็ไม่มีในนาก็ไม่ค่อยมีล่ะฝนแรงอะไรบ้างเนี่ยนะเอาละ่ะไม่เป็นไรเป็นกรรมกรก็ได้ไปรับจ้าง ทีแ้กก็กีดยางได้ตอนนี้ยางกีดไม่ได้ให้แล้วไม่คุมเอาจับคบจับเขียดอะไรอะไรอยู่ได้ไหมก็ไม่ได้นะต่อไปเพราะว่าไปซื้อน้ำปลาซื้อ อ, อะไรก็แพงขึ้นแล้วก็คนที่เขามีแรงงานราคาถูกแล้วก็คนเหล่านั้นรอบบ้านเราจะเป็นลาวขเขมพรพมา่าเวียดนามเนี่ยเคยเกิดศึกสงครามกลางเมืองมาทั้งนั้นแหละ เขาผ่านความทุกยากความกระตือรือร้นความขยันขันแข็งเขามากกว่าเราอีกเสรหมดนะนะยิ่งมาดูตัวเลขระดับชาติที่เขาพูดเมื่อกี้นี่พระครูว่าเห็นภาพเลยนั่นแะหละพวกเราก็รู้ไว้แต่ว่าเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้เปลี่ยนตัวเองซะอย่าประมาทนะมีโอกาสก็รู้จักออมอะไรที่ไม่ควรใช้ก็ไม่จาเป็นต้องใช้ เรามาเช็คแอนแดนนี่ก็ความสุขบอกแล้วได้ร่างกายจิตใจก็ดีแล้วนะไม่ต้องไปหาความสุขนอกกายเอาเงินไปซื้อเอาเมื่อหาเงินอุตสาหเรียนมาเอาวิชามาทํางานแล้วเหนื่อยแล้วก็ให้มันได้อะไรหน่อยหนึ่งนะไม่ใช่ได้ความสุขแบบว่าไปใช้เงินใช้เงินนั่นอันนั้นอันนั้นอันนั้ น, อ, น, น, นอันตรายมากถือว่าประมาทมาก เพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วมันไม่เหมือนเก่าแล้วทั่วโลกนี่เศรษฐกิจโดนอะไรหมดอ่ะเราจะคล้องตัวเหมือนเก่าไม่ได้แต่การยื้อแย่งจะมากขึ้นอันนี้พ่อครกูก็ให้ข้อคิดเนา ะ, ะฟังแล้วเข้าใจปุ๊บเหี่ยงทิ้งอย่าไปคิดเพิ่มเติมให้มันทุกนะแล้วก็อย่าลืมเช็คแอนด์แดนส์ไ่ไหมโอเคเริ่มจากเดี๋ยวนี้เลยเนาะเช็คแอนด์แดน ไปเตรียมตัว